และทำรูปเพลงใหม่ก็ทำให้สติเคลื่อนออกจากฐานหลงไปกับกลิ่นอายมันๆที่ส่งเปรี้ยงปร้างออกมาจากเวทีโดยไม่ต้องบังคับจิตฝืนใจแต่อย่างใดฉันอยากให้เป็นอย่างนั้นด้วยมากับน้องๆก็ต้องมีอารมณ์ร่วมบ้างหมดค่าตัวไปเป็นพันก็ต้องเสพสุขให้คุ้มค่าบ้างจะมานั่งทำสมาธิให้ผิดบรรยากาศอยู่ได้อย่างไร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 เพื่อปรับจิตให้หยาบลงสุขเขเวทนาที่อาศัยเหยื่อล่อแบบโลกโลกทําให้จิตหยาบลมหายใจหยาบอย่างเห็นได้ชัดชีวิตคนเราต้องสุขแบบหยาบหยาบนำหน้ามาก่อนเสมอเคยติดใจเคยแสวงหาเคยยอมทุ่มเทเงินทองและเวลาให้กับสุขอันอาศัยเครื่องล่อทางกามคุณพอมาเจอสุขแบบละเอียดสุขคุ้มจากการเจริญสติเข้า จึงได้ข้อเปรียบเทียบมองย้อนกลับไปเห็นสุขที่ผ่านผ่านมาเป็นแค่น้ำโสโครกติดปลายช้อนที่จิบแล้วสดชื่นชุ่มลิ้นนิดหน่อยแล้วชวนให้ทึกทักว่านั่นคือสุขอย่างมหาระทึกลึกลำ้ำแต่พอเจอสุขของจริงที่ตั้งมั่นนิ่งนานและสะอาดใสก็จึงค่อยรู้ว่าน้ำหวานเป็นขวดขวดเป็นถังถังดื่มกินได้เต็มที่ไม่จากัดเป็นอย่างไร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 และเดินจงกรมอย่างเห็นคุณค่าของรสสุขทางจิตมากขึ้นทุกทีสุขอื่นเสมอความสงบไม่มีจริงๆ